จเจริญพรศรัทธาญาโยผู้มีจิตใจที่สะอาดที่บริสุทธิ์มีความฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2545ก็ใกล้เวลาจะสิ้นปีเข้ามาแล้ววันเวลาก็ค่อยๆผ่านไปผ่านไป เดี๋ยวปีหนึ่งก็หมดไปอายุก็เพิ่มมากขึ้นไปอีกหนึ่งปีวันเวลามีแต่จะผ่านไปผ่านไปเหมือนกับกระแสน้ำ <c oughs> ที่ไหลไปแล้ว <c oughs> ไม่ไหลกลับเวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตจิตใจของพวกเราทุกคน เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเวลาการที่เราจะมีอะไรเราก็ต้องมีเวลาที่จะทําเพื่อให้มีสิ่งนั้นๆเกิดขึ้นมาถ้าเวลาไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาที่เราต้องการกันก็จะไม่มีดังนั้นเวลาจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งเป็นสิ่ง ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง <c oughs> ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้เพราะว่า <c oughs> ถ้าเราไม่มีเวลาแล้วเราจะไปหาสิ่งอย่างอื่นในโลกนี้ได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆก็ต้องมีเวลาเป็น เครื่องรองรับเราต้องมีเวลาที่จะที่จะกระทำในสิ่งต่างๆเพื่อให้ผลที่เราต้องการปรากฏขึ้นมาดังนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆเราจึงไม่ควรที่จะมองข้ามคุณค่าของเวลาไปจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้เวลาผ่านไปผ่านไปโดยไม่ได้ทำ คุณทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นเพราะเวลาของเรานั้นจะมีเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆมิบไม่ใช่ว่าเราจะมีเวลามากเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าชีวิตของเรานั้นมันถูกควบคุมด้วยเวลานั่นเองเมื่อเราเกิดแล้วชีวิตก็จะต้องมีการแก่มีการเจ็บแล้วมีการตายตามลําดับต่อไป และเมื่อถึงเวลาตายก็ถือว่าเวลาที่เราจะทำอะไรก็จะหมดไปเช่นกันเวลานี้ก็เปรียบเหมือนกับต้นเทียนต้นหนึ่งคือชีวิตของเรานี้เปลี่ยบเหมือนกับต้นเทียนต้นหนึ่งเมื่อเวลาเราเกิดออกมาก็เหมือนกับเวลาเราจุดต้นเทียนต้นนั้นเมื่อเราจุดต้นเทียนนั้นแล้วไฟมันก็จะเริ่ม ไม้ต้นเทียนนั้นไปตามลําดับจนกระทั่งในที่สุดต้นเทียนนั้นก็จะหมดไปฉันใดชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วมันก็จะเริ่มดําเนินตามวิถีทางของมันคือในเบื้องต้นก็มีการจเจริญเติบโตเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะเริ่มมีการเสื่อมตามมา แล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยความชราความตายก็จะตามมาในที่สุดดังนั้นชีวิตของเรานั้นมีเขตมีขอบเขตจำกัดมีเวลาที่จำกัดและแต่สำหรับสำหรับแต่ละคนเวลาของชีวิตที่มีอยู่ก็ไม่เท่าเทียมกันบางคนก็มีอายุยืนยาวนานอยู่ได้ถึง90ปีร้อยปี แต่บางคนก็อยู่ไม่ได้ยาวนานบางคนเกิดมาเพียงวันเดียวก็ตายไปก็มีดังนั้นชีวิตของเวลาของชีวิตเรานั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเราจึงควรที่จะทําความเข้าใจถึงธรรมชาติของเวลาของชีวิตของเราว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ต่อไปได้อีกนาน มากน้อยแค่ไหนเราอาจจะอยู่ต่อไปถึงอายุ80ปี90ปีก็ได้หรือเราอาจจะตายในวันนี้ในบ่ายนี้ในเย็นนี้ในคืนนี้ก็ได้เพราะไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนนี่คือลักษณะธรรมชาติของชีวิตร่างกายของเราจะต้องเป็นไปเช่นนี้ พระพุทธเจ้าทิ้งสอนให้พวกเรามีสติคือไม่ให้ประมาทให้รู้ถึงว่ า, วาถึงความไม่แน่นอนของชีวิตถึงความไม่แน่นอนของเวลาที่เราจะมีไวัยทำในสิ่งที่เราต้องการกันท่านจิงสอนให้เราคอยถามตัวเราอยู่เสมอว่าวันคืน ล่วงไปล่วงไปในบัดนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ถ้าเราไม่ถามตัวเราเองเราจะไม่รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เพราะการกระทําของเรานั้นเราทําได้หลายอย่างด้วยกันทําในสิ่งที่ทําให้เกิดคุณเกิดประโยชน์นํามาซึ่งความสุขความเจริญก็มีทํำไปในสิ่งที่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียความหายนะ ความทุกข์ความเดือดร้อนก็มีแต่บางทีเราไม่ค่อยรู้กันว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่หรือว่าเราทาเรายุเรารู้อยู่แต่เราเข้าใจผิดเราคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ในสายตาของพวกเราแต่ความจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีที่เป็นคุณที่เป็นประโยชน์ ที่เป็นสุขกับเราก็ได้เพราะว่าใจของเรานั้นยังมีความหลงมีความมืดบอดอยู่เรายังไม่รู้จริงเห็นจริงว่าการกระทำนั้นของของเรานั้นจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญที่แท้จริงหรือเป็นความสุขความเจริญที่แฝงด้วยความเสื่อมเสีย ความทุกข์ความหายนะที่จะตามมาต่อไป <c oughs> ดังนั้นเราจึงต้อง <c oughs> ศึกษาทําความเข้าใจให้รู้ถึงว่าอะไรคือความดีอะไรคือความไม่ดี <c oughs> แล้วพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ดีเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราศึกษา หาความรู้จากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายซึ่งเราจะหาได้ในพระพุทธศาสนานี้ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าของเราและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ได้ผ่านไปแล้วคือได้นิผ่านไปชีวิตร่างกายของท่านไม่มีอยู่ในโลกนี้แล้วแต่คําสอนของท่านนั้น ยังมีอยู่คำสอนนี่แหละที่เป็นองค์แทนพระพุทธเจา้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายดังที่พระพุทธองค์ได้เคยตัดสั่งไว้ก่อนที่จะทรงเสด็จดับขันพรินิพพานว่าพวกเธอทั้งหลายจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาเพราะว่าศาสดาของพวกเธอที่จะมาทำหน้าที่แทนตถาคตต่อไปก็คือ พระธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตรัสไว้ชอบแล้วคือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้มีการจดจำและจดจและจดจำและจดจำและเดจำและจดจำและจดจนและจดจำและจดจำและือจำละจดจำและจดจละจดจำอาะจดจำและรดเป็นะจจำแล ะ, ะาาดาจดจำรละรดจำรละรดจ ะ, าาะจจะจดจะจดจำและจดจำะจดจำแจ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนที่สะดวกสําหรับเราถ้ามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมเป็นสิ่งที่สะดวกเราก็มากันถ้ามาวัดไม่สะดวกถ้าอยู่บ้านก็หาหนังสือธรรมะไว้ในบ้านไว้อ่านหาเทปธรรมะของครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนแล้วอัดเทปไว้เอามาเปิดมาฟังหรือเปิดวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งจะมีการแสดงธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอตามกาลเวลาเช่นในวันพระวันสําคัญตามพระพุทธศาสนาก็จะมีแสดงธรรมกันตามสื่อต่างๆเหล่านี้ก็เป็นวิธีที่จะทําให้เราเข้าถึงพระพุทธศาสนาเข้าถึงพระศาสดาเข้าถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ และเมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดี<ม>อะไรเป็นเหตุที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญอะไรเป็นเหตุที่นำมาซึ่งความทุกข์ความเสื่อมเสียความหายนะเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้นำมาปฏิบัติกับตัวของเราคือความประพฤติของเรา ทางกายทางวาจาและทางใจทั้งสามนี้จะเป็นเหตุที่จะนํามาซึ่งความสุขและความเจริญหรือความทุกข์ความเสื่อมเสียความหายแพทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากการกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจเราจึงต้องมีสติและลึกรู้อยู่เสมเอว่าในขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ เช่นในขณะนี้เราไม่ได้พูดเราไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายแต่ใจของเรากําลังคิดอะไรอยู่ใจนี้เป็นตัวที่สําคัญที่สุดในบรรดาตัวที่มีการกระทําใจเป็นผู้สั่งการก่อนวาจาและการกระทําทางกายถึงจะตามมาได้ถ้าใจคิดให้ทําอย่างหนึ่ง mm hmm. ก็จะสั่งไปที่วาจาสั่งไปที่ร่างกาย ให้พูดอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้ความคิดจึงเป็นสิ่งที่เป็นต้นเหตุของการกระทําทั้งปวงการการกระทําดีก็ออกมาจากความคิดที่ดีการกระทําไม่ดีก็ออกมาจากการจากความคิดที่ไม่ดีเราจึงต้องมีสติรู้อยู่กับความคิดของเราอยู่ทุกขณะหนังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราถามตัวเราเองอยู่เสมอว่า วนเวลาล่วงไปล่วงไปในบัด umm นี้ ini, เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังคิดในสิ่งที่ดีหรือเรากำลังคิดในสิ่งที่ไม่ดีรเร า, ากำลังคิดที่จะทำบุญหรือเรากำลังคิดจะทำบาปเรากำลังคิดจะสะสมความโลภความโกรธความหลงหรือเร า, ากำลังคิดว่าจะลดละความโลภความโกรธความหลงเพราะความคิดเหล่านี้ จะนำพาไปสู่การกระทำที่จะมีผลต่อไปผลที่จะตามมาก็จะเป็นผลที่จเจริญหรือผลที่เสือ่อมอย่างการกระทำที่จะทำมาเสึ่งความเสือ่อมท่านก็แสดงไว้ในอบายอบายามุสีคือหนึ่งการเล่นการตนันสองการเสพสุรายาเมา 3. การคบคนชั่วเป็นมิตร สีการเที่ยวยามค่ำคืนนี่คือการกระทําที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียไม่ได้นํามาซึ่งความเจริญและก่อนที่เราจะไปกระทําสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนที่เราจะไปเสพสุรายามเมาไปเล่นการประนันไปเที่ยวไปเที่ยวกลางคืนไปคบคนชั่วเป็นมิตรในใจของเราต้องคิดก่อนเช่นวันนี้เราจะคิดแล้วว่าวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ เราจะไปทำอะไรดีคืนนี้เราออกไปเที่ยวดีไหมวันนี้เราไปกินเหล้ากันดีไหมเราไปเล่นการพนันกันดีไหมหรือไปหาเพื่อนที่ไม่ดีจะดีไหมนี่เป็นความคิดที่เริ่มคิดแล้วถ้าเราไม่มีสติเราก็จะถูกความคิดนี้พาไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะใจเรามักจะชอบคิดจะทำในสิ่งที่เราเคยติดมาเป็นนิสัย และนิสัยของพวกเราส่วนใหญ่ที่ยังเป็นปุตุชนยังมีความมืหมอนอยู่ก็มักจะคิดไปในทางที่เสื่อมเสียเรามักจะชอบทำในสิ่งที่เสื่อมเสียแต่ในใจเรากับคิดว่าเป็นความสุขเราเลยทำกันโดยที่ไม่รู้สึกตัวเพราะเราไม่เคยมานั่งคิดหรือเราไม่เคยได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอน ถึงความเสื่อมเสียของเรื่องเหล่านี้เราไม่คิดกันอย่างเวลาเราไปกินเหล้าเมายาเราก็จะมองแต่ด้านเดียวคือด้านดีด้านที่คือมีความสนุกสนานเฮฮาเราได้ไปเจอเพื่อนฝูงเราไปนั่งกินเหล้ากันแล้วเราก็ไปคุยกันเล่นกันก็มีความสนุกสนานเฮฮาแต่เราไม่รู้ถึงโทษของสุรา เมื่อเวลาเราติดสุราแล้วเราจะเป็นอย่างไรเมื่อติดสุราแล้วเราจะต้องหาสุรามาเสพอยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนยาเสพติดและเมื่อเราเสพสุราไปมากๆ ก, ก็จะไปทำลายร่างกายของเราทำลายอวัยวะต่างๆทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่เป็นปกติจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน และจะเป็นคนที่มีอายุสัน้นนอกจากนั้นแล้วเวลาเราเสพสาราเข้าไป mm. ก็จะทำให้เราเกิดความมึนเมาไม่สามารถวควบคุมสติของเราได้ความคิดความอ่านของเราเป็นอย่างไรเราจะไม่รู้เราจะไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเกิดความมึนเมาความคิดที่ไม่ดีที่เรียกว่า ความคิดที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายที่เป็นอกุศล ท, ทั้งหลายมักจะเกิดขึ้นทำให้เราต้องไปกระทำสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและกับตัวเราเช่นพูดจาหยาบคายพูดจาเบียดเบียนผู้อื่นสร้างความราคาญใจให้กับผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาจะต้องตอบโต้เรา เมื่อมีการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาก็นำไปสู่การทะเลาะวิวาทเมื่อมีการทะเลาะวิวาทขั้นต่อไปก็นาไปสู่การทุบทุบตีทำร้ายร่างกายกันถ้าทำร้ายกันรุนแรงก็ถึงกับฆ่ากันตายทำร้ายชีวิตกันเมื่อทำร้ายชีวิตแล้วผู้ที่เสียชีวิตก็สูญเสียทุกสิ่ทุกอย่างไปผู้ที่ยังอยู่ก็ต้อง ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเข้าคุกเข้าตารางและอาจจะต้องถึงกับประหาชีวิตให้ตายตามกิดไปในที่สุดนี่ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเสพสุรายาเหลแต่นี่เราไม่ค่อยคิดกันเราเพียงแต่จะคิดว่ากินเหล้าเข้าไปแล้วมีความสุขสบายอกสบายใจลืมเรื่องราวต่างๆลืมเรื่องความทุกข์ต่างๆอย่างนี้เป็นต้น จึงทําให้เราเสกจุรายะเมากันแต่ผลที่เสียที่ตามมาเราไม่รู้กันนี่แหละคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้แล้วเวลาที่จิตของเราเริ่มคิดจะทําสิ่งเหล่านี้เราจะได้ยับยั้งได้เพราะ ไม่มีใครต้องการที่จะไปมีความทุกข์มีความมีปัญหาต่างๆตามมาแต่ถ้าเราไม่คิดไว้ก่อนเราไม่ศึกษาไว้ก่อนแล้วปล่อยให้ทำไปตามนิสัยมันก็จะติดนิสัยไปแล้วเมื่อติดนิสัยแล้วเวลาจะแก้ก็จะยากแต่ก็ไม่สุดวิสัยถ้าตราบใดเราเห็นสิ่งที่เราเคยไปหลง ดีหลงชอบอยู่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตของเราเราก็จะสามารถลดละเลิกได้สิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้ถ้าเรามีสติคอยดูความคิดอ่านของเราถ้าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็ต้องบอกตัวเราว่านี่เป็นทางที่ไม่ดี คิดไปแล้วจะนำพาไปสู่การกระทำที่ไม่ดีต่อไปจะนำมาซึ่งโทษทั้งหลายที่เราไม่สรารถนากันเราควรที่จะคิดทำแต่สิ่งที่ดีที่งามทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำและได้ประพฤติปฏิบัติมาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราทาอยู่เสมอนั่นก็คือ ให้เราทำความดีเสมอให้เราละการกระทำบาปเสมอและให้เราชำระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดสิ่งที่ทําให้จิตใจของเรานั้นแปดเ ป, ดเปื้อนมีมลทินก็คือกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ จะคอยทำร้ายจิตใจของเราคอยชุดลากผักใสให้เราไปกระทำความชื่อทั้งหลายคนเราถ้าไม่มีความโลภแล้วเราจะไปทำบาปได้อย่างไรคนเราถ้าไม่มีความโกรธแล้วเราจะไปทำบาปได้อย่างไรอย่างในขณะนี้พวกเรานั่งอยู่ในสารานี้จิตของเราก็ ตั้งมั่นอยู่กับการฟังเทศฟังธรรมในขณะนี้ความโลภ ก, ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาความโกรธก็ไม่ปรากฏขึ้นมาเมื่อไม่มีความโลภความโกรธปรากฏขึ้นมาเราก็นั่งอยู่ที่นี่ได้แต่ถ้าเมื่อเรามีความโลภเกิดขึ้นมาแล้วเกิดมีความโกรธขึ้นมาในขณะนี้เราจะทนนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้เราจะต้องไปทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าเราเคยฝึก ใจของเราเคยหักห้ามใจของเราด้วยการปฏิบัติธรรมคือเราศึกษาวิธีการหยุดใจของเราวิธีที่หยุดใจของเรานี้ผู้เจ้าสอนมากจะต้องหยุดใจด้วยสติถ้าเรามีสติเรารู้ว่าเรากำลังคิดอะไรเพียงแต่รู้เท่านั้นความคิดนั้นมันก็จะหยุดไปหายไปแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะคิดต่างไป เวลาเกิดความโลภเราก็จะคิดต่างความโลภนั้นไปเราก็จะวิภาควิจารสิ่งที่เราอยากได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องเอามาให้ได้หรือว่าเวลาที่เราเกิดความโกรธเราก็จะต้องวิภา์วิจารคนที่เราโกรธว่าเขาเลวอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้เขาควรที่จะต้องถูกเราทำร้ายทาลายอย่างอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีสติ ดูใจของเราแต่ถ้าเรามีสติดูใจของเราแล้วในขณะที่เราเกิดความโลภขึ้นมาเราจะรู้ขึ้นมาทันทีเลยว่าเรากําลังโลภเรากํายากอยา ก, ยากเราก็สามารถระ ง, งับได้ด้วยเหตุด้วยผลคือปัญญาเราควรจะถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เราโลภเราอยากได้นั้นมันมีความจําเป็นต่อการดํารงชีพของเราหรือไม่อย่างนี้ ถ้ามันไม่มีความจำเป็นเราไม่มีมันเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าบางทีสิ่งบา ง, บางสิ่งบางอย่างที่เราอยากได้นั้นมันไม่ได้ออกมาจากปัญญาออกมาจากเหตุผลไม่ได้ออกมาจากความจำเป็นแต่ออกมาจากอารมณ์เพียงแต่เห็นเราก็เกิดอารมณ์อยากได้ขึ้นมาทั้งทั้งที่ไม่มีสิ่งนั้นก็ไม่ตายและดีไม่ดีไม่มีสิ่งนั้น กลับสบายกว่าอีกต้องเยอะแยะแต่เราไม่รู้กันเพราะเหตุนใดเพราะว่าเราไม่เคยใช้ปัญญาเราไม่เคยใช้เหตุผลเข้ามาคิดในการที่เราจะต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราเพียงแต่พอมีความอยากได้ปั๊บเราก็อ่อนตามความอยากนั้นแล้วจะต้องทําตามความอยากนั้น ถ้าไม่ได้ทำตามความอยากก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมาทันที<ม>นี่แหละ<ม>คือโทษของความอยากเมื่อเกิดความอยากแล้วถ้าเราไม่ละนับมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเรา<ม>ทุกสองอย่างคือทุกข์ที่อยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องไปดิ้นรนออกไปหาสิ่งนั้นๆมาแล้วถ้าหาไม่ได้ก็เกิดความเสียใจ กดความผิดหวังขึ้นมาแต่ถ้าเราระงับความอยากนั้นความโลภนั้นได้ด้วยเหตุผลเราก็สามารถที่จะอยู่ของเราต่อไปได้โดยปกตินี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักแก้ไขความโลภนี้เราแก้ไขได้ด้วยเหตุผลเราใช้ปัญญาถามตัวเราเองว่ามันจำเป็นไหม าไม่จาเป็นเราไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องไปมีสิ่งนั้นเพราะถ้าเราไม่จำเป็นแล้วเราไปหามาก็ท่านความเดือดร้อนให้กับตัวเราหนึ่งเราจะต้องเสียเงินเสียทองเงินทองเราก็รู้อยู่ว่าเป็นสิ่งที่หาหายากไม่ใช่เป็นสิ่งที่หามาง่ายถึงแม้ว่าเราจะมีเงินทองหรือใช้อยู่ก็ตามแต่เราต้องมองถึงในอนาคตข้างหน้าว่า วันทุ่งนี้เงินทองอาจจะไม่มาอีกก็ได้แล้วเราอาจจะต้องอาศัยเงินทองที่มีเหลือใช้อยู่ใช้กับสิ่งที่จาเป็นเพราะชีวิตของเราถ้าตราบใดยังมีลมหายใจอยู่เรายังต้องอาศัยเงินทองเพื่อไปแลกเปลี่ยนเอาปัจจัยที่สำคัญมาดารงชีพเช่นอาหารอยู่ยาเสื้อเครื่องนุ่หงห่มที่อยู่อาศัยเหล่างนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้อง มีเงินทองเป็นเครื่องแรกเปลี่ยนดังนั้นถ้าเราเอาเงินทองที่มีความจำเป็นถึงแม้ว่าไม่จำเป็นในขณะปัจจุบันนี้แต่มีความจำเป็นต่อไปในภายภาคหน้าเอาไปใช้กับสิ่งที่ไม่จำเป็นเวลาเกิดความจำเป็นขึ้นมาเราจะเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเรา ไม่เอาเงินทองที่มีเหลือใช้อยู่นี้ไปใช้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นเราจะมีเงินทองเหลือใช้มากแล้วเมื่อเรามีเงินทองเหลือใช้มากเราจะมีความรู้สึกอบอุ่นใจมีความมั่นใจเราจะไม่ค่อยกังวลกับเรื่องของอนาคตเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าเรามีสิ่งที่รองรับอนาคตไว้อยู่เราจะไม่อดอยากเราจะไม่ขาดที่อยู่อาศัยเราจะไม่ ไม่มียารักษาโรคอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละถ้าเราชนะความโลภความอยากได้แล้วแทนที่จะมีความทุกข์เรากลับมีความสุขความสุขที่เกิดจากการที่มีความมั่นใจมีความมั่นคงกับชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานั้นจะดาเนินไปได้ด้วยความสุขด้วยความสบายมีปัจจัยสิ่งไว้คอยดูแลเรา เท่านี้ก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขแล้วแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราใช้เงินไปเรื่อยๆเห็นอะไรอยากได้ก็ใช้ไปใช้ไปโดยที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาเสริมสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเราเลยแต่กลับไปไปไปบั่นทอนความมั่นคงของชีวิตเพราะเงินทองที่เราจะต้องอาศัยในภายภาคหน้า จะมีน้อยถอยลงไปเรื่อยๆและถ้าไม่ระมัดระวังนีไม่ดีจะหมดไปและนอกจากหมดไปแล้วยังกลายเป็นหนี้เป็นสินขึ้นมาซะีอีกเพราะในสมัยปัจจุบันนี้เราสามารถซื้อข้าวของได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเราจ่ายเพียงเงินบางส่วนเราก็สามารถได้ของนั้นมาแล้วแต่เรากลับกลายเป็นลูกหนี้ขึ้นมาเราจะต้องหาเงินทอง มาใช้ที่ใช้สินที่เราไปสร้างไว้นี่แหละคือโทษของการที่เราไม่ดูแลใจของเราไม่ดูแลความคิดของเราเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากก็ปล่อยให้ความโลภความอยากนั้นฉุดลากพาเราไปเหมือนกับฉุดเราลงไปในเหวโดยที่เราไม่รู้สึกตัว มารู้สึกตัวอีกทีก็อยู่อยู่ที่ก้นเหวแล้วไม่รู้ว่าจะหาวิธีขึ้นจากเหวได้อย่างไรบางคนเมื่อถึงจุดนั้นแล้วก็เกิดความท้อแท้ในชีวิตไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปดังที่เราได้ได้ยินได้ฟังกันทุกวันนี้ที่คนเราต้องทำลายชีวิตของตัวเองก็เพราะว่าถูกความโลภความอยากนี่แหละฉุดลากให้ลงสู่ก้นเหว เมื่ออยู่ในก้นเหวแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความทรมานจนกระทั่งไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้ต่อไปทั้งที่ร่างกายก็ยังเป็นปกติอยู่ยังเป็นคนหนุ่มคนสาวมีกําลังวังชาทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถดําเนินชีวิตไปได้แต่เพราะความหลงความมืดบอดไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาของชีวิตก็เลยคิดเกิดความท้อแท้ เกิดความมืดแปดด้านขึ้นมาไม่รู้ว่าจะไปหาใครเป็นที่พึ่งเพราะว่าตอนที่มีเวลาตอนที่เป็นปกติไม่เคยคิดสร้างที่พึ่งขึ้นมาไว้ก่อนเมื่อเกิดเวลายามยากเห็นแล้วก็เลยงงเป็นไก่ตาแตกไม่รู้ว่าจะพึ่งอะไรแต่ถ้าเราเป็นคนฉลาดเรารู้ว่าศาสนาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราได้ ถ้าเราเข้าหาศ า, าสนาอยู่เรื่อยๆคอยฟังเทศคอยฟังธรรมแล้วนำมาปฏิบัติอย่างที่ได้สอนในวันนี้คือให้ดูใจเราให้เตือนสติบอกสอถามตัวเราเองอยู่เสมอว่าวันคืนผ่านไปผ่านไปในบัดนี้เรากำลังทําอะไรอยู่เรากำลังดูใจของเราอยู่หรือเปล่าเรากำลังต่อสู้กับความโลภ ก, กับความอยากของเราอยู่หรือเปล่าถ้าเรากาลังทา ถือว่าเรากำลังใช้ชีวิตที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะการต่อสู้กับความโลภความอยากนี้เท่ากับเป็นการดึงตัวเราให้ออกจากเหวลึกนั่นเองแต่ถ้าเราปล่อยให้เราใจของเราคิดไปในทางโลกความอยากแล้วเราทำตามความโลภความอยากของเราเราก็จะถูกฉุดลงไปลึกลงไปเรื่อยๆในเหวนั้นจนกระทั่งในที่สุดเราจะไม่มีทางออกมาเลย ดังนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงอย่าได้ตั้งอยู่ในความประมาทจงมีสติดูความเคลื่อนไหวของการกระทําของเราอยู่อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลาเราหลับเลยขอให้ดูกายวาจาใจของเรานี้เปรียบเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจดูแลนักโทษอย่าให้คาจากสายตาของเราแล้วเราจะเห็นพฤติกรรมของเราของ ของการกระทำทั้งสานี้ว่าเป็นไปในทิศทางไหนถ้าไปเป็นในทิศทางที่ดีเราก็ส่งเสริมรีบทำเสียเลยอย่างเช่นวันนี้เนื่องอยากจะทำบุญก็รีบมาวัดมาทำบุญเลยอย่าไปเลื่อนมันเวลาเพราะว่าพุกนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้แต่ถ้าเราทำในวันนี้แล้วเราจะไม่เสียใจและเราจะได้รับประโยชน์จากการกระทาความดี